ชีวประวัติของหลวงปู่ขาวเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมพนโนพระหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีนามเดิมท่านชื่อขาวโคระทาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมพศ2431ตรงกับวันอาทิตย์ปีชวดณนะบ้านบ่อชนเนงตำบลห น, นองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุลราธานี บิดาชื่อพวัวมารดาชื่อรอดโคราัาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเจ็ดคนตามลำดับดังนี้หนึ่งนางวันโคราัาสองนายบุญจันทร์โคราัาสามนางหนูแดงโคราัาสี่หลวงปู่ขาวโคราัาห้านายกาวาวโคราัาหกนางหลอดโคราัาเจ็ดนางไหลโคราัาพี่และน้องได้ถึงแก่อานิจกรรมไปหมดแล้ว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 คนสมัยนั้นมักมีแต่คนดีการครบกานจึงเป็นสง่าราศีแก่วงสกุลมากกว่าจะพาให้เสียหายลมชมเมื่ออายุ2ีสิบปีวิดามารดาก็จัดให้มีครอบครัวพันยาชื่อนางมีมีบุตรธิดาด้วยกันเจ็ดคนคนหัวปีเป็นชายชื่อคำมีได้ออกบทตามพ่อคือหลวงปู่เวลาท่านออกบทแล้วจนสิ้นอายุในเพศนักบทเมื่อพศ2525นี้เองที่วัดถ้ำกรองเพลิน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 หรือผัวมีหลายเมียเหล่านี้จึงควรยกให้กิเลสราคะธัณหาตัวไม่รู้จักอิ่มพอกว่าต้อนเข้าสู่คลังไม่หิจตาของมันไปเสียเพื่อมาให้มีความกระทบกระเทือนทั้งอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นและผิดด้วยเพราะเรื่องทํานองนี้มีอยู่ทั่วไปและยิ่งจะนับวันมากขึ้นทารุโต่างพอใจส่งเสริมโดยไม่สนใจเห็นโทษของเครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐอยู่แล้วเพระความสงบสุขของครอบโครัผัวเมียอยู่ที่อัดรมคือสันตุที ประมังนทนังความยินดีเฉพาะผัวเมียของตนเป็นทรัพย์ความยินดีต่อกันและอยู่ที่โอว่าแห่งคําบทนี้ไม่ได้อยู่ที่ไม่หิจตาหลายผัวหลายเมียดังที่คิดและสนใจใฝ่ฝันกันเลยดังนั้นโลกครอบครัวผัวเมียถ้าอยากมีความสงบสุขกล่อมเย็นจีรังยั่งยืนจึงไม่ควรฝักไ่ใส่ใจเสาะแสวงหาหญิงชายเสดเดน่นประเภทอย่าพิษมาเครือบแฝงครอบครัวผัวเมียควรรักสงวนและบำรุงรักษาสมบัติคือคู่ครองที่มีอยู่ของตน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 ปลาทั้งหลายแต่ดึกดมันมาท่านไม่เคยเสียท่าเสียทีเพระาะการทุ่มตัวให้กับสิ่งเลวทรามทั้งหลายนอกจากท่านคิดอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงธรรมให้เจริญภายในใจถ่ายเดียวแต่ตัวเจ้าเองทําไมจะทําตัวเป็นมนุษย์เลวแหลกแต่กระจายไม่เป็นท่าโดยการทําชั่วตามเหตุการณ์ของโลกที่ไม่มีประมาณแห่งความพอดีที่ผู้อื่นก่อขึ้นเชนนี้เล่าเพียงเท่านี้ไม่อาจยับยั้งได้เจ้าจะพยงตัวเพื่อความดีงามไปได้อย่างไร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 ตัวเจ้าเองต้องจัดว่าเป็นผู้ทำคำชั่วยอย่างหนักมากจนไม่มีมหาเมตตาในทำบทใดบาตรใดให้อภัยเจ้าได้เจ้าต้องลงนรกหลุมมหันต ท, ทุกโดยถ่ายเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเลยเจ้าจะเชื่อโทสะกิเลสที่กำลังรมล้อมพัดผันหัวใจของเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจของมันหรือจะเชื่อธรรมของจอมปราดที่เคยพยุงสัตว์โลกผู้เดือดร้อให้เบาบางสั่งซามานานแสนนานรีบคิดและตัดสินใจโดยถูกทางเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าล่าหลัง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 โล่งสบายหายทุกเข็ญเวรภัยทั้งปวงในขณะนั้นเราก็เกิดชาติใหม่ขึ้นมาในร่างกายและใจดวงเดียวกันทําให้คิดทบทวนหวนกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอดีตที่เคยตีบตันอันตู่จนจะหาทางออกไม่ได้ถึงกับจะคิดเผาไหมตัวเอง ส, สดร้อนโดยเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีทั้งอนาคตเกี่ยวกับความเป็นไปในวันข้างหน้าว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมมากสมหมายไม่คลุกเคล้าด้วยหมูดึงอุดด้วยฟืนด้วยไฟ